ช่วงก่อนธรวัแต่ละวันก็นำเอาเรื่องของของานที่เราทำเที่ยงต่างมาฉาให้ดูนนี้เพื่อเป็นการทบทวนการทำงานและการเผยแพร่ที่มีผลตัวนักปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเราอาจจะทำที่ใดที่หนึ่ง ได้ผลนะ เ, เขาว่าไปทำที่ไหนน้นก็ทำให้คนที่เขามีความตั้งใจมีสติปัญญาทำก็มีอยู่ซึ่งคนมีบุญวา ส, สนาที่จะรู้เรื่องนี้มันมีอยู่ทั่วไป เ, เดี๋ยวว่าเราจะได้ไปพบหรือไม่ไปพบเท่านั้นนะแต่โอกาสที่เราไปนี่มันก็ได้พบบคุคคลเหล่านี้ซึ่งเขาก็สามารถที่จะ เข้าถึงได้แล้วก็เป็นการที่ช่วยในสิ่งที่เข้าถึงเนี่ยให้ไปงอกงามต่อไปข้างหน้าได้นะคุณสมพรปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนเกะยุพิกนลนัเนี่ยเขาคนเขาต้องการที่จะปฏิบัติเขาก็มาหรือบางทีก็เชิญไปร่วมเปิดอบรมที่ต่าง บางแห่งที่มาไปไม่ได้ก็ให้แก่ไป น, นี่เป็นต้นซึ่งได้กล่าวแล้วว่าถ้าเราทําอย่างจริงจังเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งเบาภาระกันได้แต่ถ้าเราทําไม่จริงใจไม่จริงจังเตรียมเป็นภาระกันอะไรกันก็มีดัง น, นั้นก็หวังคนที่เขามีความตั้งใจเนี่จะได้ช่วยกันรักษาพระศาสนาโดวยวิธีเนี้อร่วมกันเป น, นการรักษา ศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะรักษาแด่ศาสนาสถานศาสนวัตถุศาสนาพิธีหรือแม้กระทั่งศาสนบุคคลไม่แต่ศาสนธรรมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญก็ต้องรักษาไว้ก่อนเพราะว่าศาสนธรรมมันอยู่ตลอดเป็นอมตะในช่วงศาสนวัตถุสนถานศาสนบุคคลศาสนาพิธีมันก็เสื่อมสลายหายไปตามอายุการนะ แต่ศาสนาธรรมเนี่ยมันไม่เสื่อมหายไปเหมือ น, นก็ศาสนาทั้งสี่นะเพราะมันเป็นตัวอมตะธรรมนี่ในส่วนที่เป็นอมตะธรรมหรือศาสนาธรรมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะมันก็คือความจริงที่เราเกิดมามนุษย์ยุคไหนก็ตามที่เกิดมาต้องสัมผัส ต้อได้รับสัมผัสความจริงประเภทนี้แหละอแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเรื่องสา ส, สนเทศทุกชนิดอาจจะผ่านไปโดยที่เราไม่มีโอกาสไปสัมผัสได้แต่ศา ส, ส, สนาธรรมเนี่ยใครเกิดมายุคไหนสมัยไหนก็สัมผัสได้เลยเนี่ยมันเพราะเป็นธรรมะนะเช่นท่านพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยคนเกิดมายุกสมัยไหนก็มีทุกข์ท่านพูดถึงเหตุของทุกข์คนเกิดมาทุกยุคก็จะมา มีเหตุให้เกิดทุกข์และคุดเกิดว่าทุกยุนการที่สามารถที่จะดับทุกข์ได้และรู้จักวิธีที่จะดับได้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมหรือเป็นพุทธธรรมเพราะว่ามันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าจะห่างมาล้กี่หมื่นกี่แสนปีก็ยังเป็นจริงอยู่อย่างนั้นก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอามาตะธรรมมันไม่หายไปกับการเวลา การเวลานี้ก็เป็นพิชชาที่เรียกว่าพระ ก, กาญนะยุมพระ ก, กาญที่เราเรียกเสมอนะเพราะฉะนั้นการเวลามันก็ย่อมกืนเอาสัมมรสทั้งหลายไปตามอายุการนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าพระ ก, กาญเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเราจะทำไงให้พระ ก, กาญมองไม่เห็นเรา ให้การมองไม่เห็นแล้วสมัยที่พุทธเจ้าเป็นพระเยาวทรงพระทรงพระเยาวที่เข า, าพาไปร่วมงานแลกนาขวญด้วยเนี่ยเขาก็พระราชกุมารไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ออกไปแลกนาขัญแบบปัจจุบั น, นไปสนามหลวงแลกนาขวรเดืนอนหกเพื่อที่จ รู้มีวิธีการเสี่ยงถ่ายว่าปีนี้เข้านาป่าน้ำมันจะเป็นยังไงล่ะจะเจรืญงอกน้ ำ, น, ำน้ำจะท่วมพอน้ำจะแรงอะไรต่างก็จะรู้กันตรงนั้นเขาก็พาเจ้าชายน้อยไปด้วยนี้ก็จะไปจะพาไปร่วมงานพิธีเขาด้วยก็ไม่ไม่ได้เขาตัวเล็กอยู่เขาก็เลยเอาไปไว้ที่นั่งไว้นะนั่งไว้ถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็วิ่งเล่นตามผู้ใหญ่นี่จำไปไนั่งใต้ตุ้นวา่า เขาก็ไปทําพิธีกันแต่บ่ายโมงบ่ายสองบา 3, นนอ่ายสามบาสอนึกขึ้นได้กูมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้พาขันวิ่งไปหาว่ายังอยู่ไหมไปเล่นที่ไหนแล้วเขยังอยู่แต่ว่าแดดบ่ายสี่โมงแล้วเนี่ยร่มว่านเนี่ยมันก็ยังร่มอยู่ตรงเดิมเ่ยไม่เคลื่อนไปที่ตามเงาของแสงตะวันจากทางตะวันออกนื่จากเที่ยงไปทางตะวันตกเนี่ยเงาก็จะโปรยไปทางตวันออกแต่นี่ปรากฏว่าเงาคงที่เดิม เป็นไปได้ไงอ น, นี้ประวัติศาสตร์นันว่าไวา้เป็นปริศณาธรรมคือหมายของว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยการเวลามันไม่เกิดเมื่อการเวลาไม่เกิดมันก็ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีวันเดือนปีทุกอย่างหยุดหมดแม่พระอาทิตย์ก็ไม่หมุนแนละ เพราะอะไรเพราะมันเป็นปัจจุบันแต่การมีวันเดือนปีอธิจนรคานพุทธนะเพราะมันมีอดีตอนาคตวันนี้เมื่อวานนี้หรือพรุนี้่งนี้มันมีแต่ถ้าพูดถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่พรุนี้หรือเมื่อวานนี้ละนี่คือเป็นตัวกุญแจที่ท่านบอกใบ้ว่า คุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะแล้วคุณจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เมื่อไรคุณอยู่กับอดีตนาคตนี่มันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเพราะอะไรเพราะมันมีการเวลาพีะต้องลงการเท่านั้นเท่านี้ไปที่ยิตของเราผ่านอดีตนาคต่แล้วมันผ่านการเวลาถูกเวลาเกินกินแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ถ้าเราไม่ได้เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยพยารพรการพยมพยากรมองไม่เห็น เพราะอะไรเพราะมันไม่มีเงาที่จะแยกไปจากตัวเงาไม่ได้ไปทางซ้ายข้างขวาข้างหน้าางหลังเงามันคงที่ร่มมันคงที่เหมือนกระตนว่ารมว่าที่เจ้าชายศิทธันั่งพักอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแดดคล้อยไปตั้งนาน แ, แต่เป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเป็นปริศนาจะบอกว่า ถ้าคุณอยู่ในอดีตในาคีตนะคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามการเวลาทุกก็ต้องเกิดมันคือสมุทยัยแต่เพราอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีเงาให้เกิดไม่มีเงาให้เกิดก็ไม่มีทุกข์ให้เกิดเพราะทุกข์คือเงาของการเวลาเมื่อการเวลาไม่สามารถจะทําให้เกิดไม่สามารถจะทําให้จิตเนีเกิดเงาเกิดภาพ ความคิดเกิดภาพอดีตอนาคตได้ถ้าคนเราถ้าว่าไม่มีอดีตอนาคตมันไม่ันไม่คิดไม่ได้ทต่มันคิดได้เพราะมีอดีตอนาคตเป็นความจำปัจจุบันมันไม่มีอดีตอนาคตพอเรามาอยู่กับปัจจุบันอดี้อนาคตก็หายไปแต่การปัจจุบันในที่หมายถึงปัจจุบันที่เป็นสัมมาสตินะไม่ใช่ปัจจุบันแบบไม่มีสัมมาสติ หมายความว่าหมายความว่าสมสติเนี่ยหนึ่งปัจจุบันจะตั้งอยู่ฐานของกายจิตอยู่ตั้งอยู่ฐานกายสองปัจจุบันจิตจะต้องอยู่ฐานของเวทนาสามจิตของเราก็จะต้องมาตั้งอยู่ฐานของจิตสี่จิตของเราต้องไปอยู่ฐานของอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดทั้งสี่เสาเนี่ย ดัง น, นั้นเองก็เราทั้งหลายที่วันวันหนึ่งที่เราผ่านไปเนี่ยถามว่าเราได้อยู่ปัจจุบันไหมถ้าคนได้อยู่ปัจจุบันก็ไม่มีว่าวันเดือนปีจะมีไม่อิทธิพลต่อจิตใจของเราเราก็จะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับอดีตอนาคตซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามมันดังนะ น, นั้นก็เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ด้วย คำหนึ่งถึงวันเวลาเนี่ยมันทุกทรมานเอ้ยเมื่อไรจะถึงวันนี้วันนั้นฉันจะไปตรงนั้นฉันจะไปตรงนี้จิตก็จะไปอยู่อดีตอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันซึ่งเหตุการณ์ที่เราคิดมันยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้จะเกิดขึ้นวันไหนแต่เราก็อดคิดไม่ได้นั่นหมายความว่าเราได้ตกเป็นทาสของ ก, การไปแล้วนะดังนั้นอยากจะให้เราได้ ศึกษาพราะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษานะตามที่บอกแล้วได้ศึกษาเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะเรื่องความจริงในตัวของเรานะ่มันมีเยอะแปด0 0 0 0นสี่พันปรมขันะแล้วก็ศึกษาแต่วันละอย่างละอย่างก็จะแปดห0ืสี่พันวันแล้วว่าจบปดุดคนตลอดชีวิตเนี่ยมันอายุกี่หมื่นวันใครเคยคำนวณบ้าง อันนี้8ปด0มนสี่พันจะจบในชาติเดียวั้ยเพราะคนเราแต่ละคนอายุไม่เกินสามห0้าพันวันเอาส2สองสิบสองเก้าร้อยแปดนีสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่น 12, 12, 7, นะ องเจิี้ก็เราอยู่ไปอายุ72ประมาณนั้นเราจึงต้องศึกษาานะศึกษาในสิ่งที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าเป็นวิตกวิจารณ์เนี่ยเป็นอดีตอนาคตแต่ถ้าคำว่าศึกษาวิจัยเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบัน การศึกษาการวิจัยมาด้วยกันหมายความว่าการศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ในระนาบที่ลึกไม่ใช่ระนาบที่กว้างการศึกษาวิจัยเป็นอยู่ในระนาบพีลงลึกเหมือนต้นไม้จิตของเราถ้าว่ามีการศึกษาแม้งจิตนั่นเป็นจิตที่ลงฐานถึงสี่ชั้นฐานกายฐานวาิญญาณสี่ชั้นที่ สติสัมยาหรือจิตของเราได้ยังลงไปยังลงไปเรื่อยๆนจิตของเราได้มันคงแล้ว เ, เป็นจิตหาประมาณไม่ได้จิตมันคงจิตที่โอกลุ่มดีแล้วเป็นจิตหาประมาณไม่ได้กรรมคือมนกกรรมที่คิดพอประมาณคิดเท่าไหร่ทำได้เท่านั้นคิดเท่าไหร่ทำได้เท่านั้นเรียกว่าคิดพอประมาณแต่ถ้าเราคิดไปแล้วมันทำไม่ได้เขาจะคิดเกินประมาณ ดัง น, นั้นเลยเขาเรียกว่าเงาแห่งพระการหร่เงาแห่งทุกข์นะสมมติว่าวันนี้เราคิดกี่เรื่องแล้วเราทําได้กี่เรื่องถ้าเราคิดสิบเรื่องก็ทําได้สิบเรื่องนั่นหมายความว่าสมดุลกันละไม่เหลือให้ทุกข์เลยมันไฟข้าวหม้อ น, นี้มันต้องใช้ฟืนสิบดุล น, นะพอหมดฟืนสิบดุน <c oughs> ข้าวก็สุกพอดีนี่เขาเรียกว่าไม่ต้องเหลือฟืนให้ไหม้ต่อไปอีก เราสุกไฟก็ดัำแต่ถ้าสมมติว่า <c oughs> เรากําโดดเข้าม้อนนี้ต้องใช้ไฟสิบดุนแต่ว่า <c oughs> เราเตรียมไฟ <c oughs> เตรียมฟืมนได้ยี่สิบดุนทีนี้พอเข้ า, เาสุกแล้วเนี่ยฟืนพิหมดไปสิบดุนอีกยี่สิบดุนอีกสิบดุ น, บดนแล้วไงของเถาให้หมดก็จะเสียเวลาแล้วทีนี้เสียของแล้ว นังนั้นเอเรื่องนี้ in ก็เราดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรอย่างลึกซึ้งทีเดียวถ้าหาเราอยู่ปัจจุบันนะคนอยู่ปัจจุบันเท่านั้นถึงจะรู้ความลึกซึ้งของปัจจุบันแต่คนปัจจุบันยังไม่เป็นก็ไม่สามารถจะรู้ความลเลึกซึ้งของปัจจุบันได้นะก็จึงอยากให้พวกเราที่อยู่มีชีวิอยู่เนี่ยขอให้อยู่ในระนาบที่ลึกนะ กว้างไม่จำเป็นตัวจะเป็นนิ่งถ้ามันลึกแล้วมันกว้างเองเหมือนต้นไม้ถ้ารากมันลึกแล้วเนี่ยห่มร่มมันแผ่ขยายกว้างมันเองถ้ารากมันยังไม่ลึกพอมันก็ตั้งต้นอย่างเงี้ล้มันไม่ไม่ขยายแตกงอกออกกิ่งก้านสาขาได้นั่นเองก็เราก็ยังเตือนอยู่อยู่เสมอการลุกการนั่งการยัารยืดขอให้เป็นปัจจุบันคือหมายความว่าไม่เอาความคิดไปก่อน แต่ถ้าเราเรลืมสติเท่าไรจิตของเราก็จะไปรออยู่ในอนาคตแต่เราก็ไม่เคยตามมันไปถึงหรอกมันมือนเงาวิ่งตามเงาในถ้าเมื่อไรเราหยุดเงามันก็หยุดเราเดินเงามันก็ยืนถ้าเราอยากจะไม่ต้องเหนื่อยก็ไม่จะไปวิ่งตามเงาเพราะเราหยุดเงามันก็หยุดตัวตัวคิดก็เหมือนกันถ้าเราหยุด เงาความคิดก็หยุดไม่เกิดแต่ถ้าเราเผลอความคิดก็ทําหน้าที่ต่ออยู่เงี้ยวันนี้คือกฎสากล น, นะอ น, นั้นต์งก็เราผ่านไปแต่ละวันก็อยาให้มันผ่านไปเปล่านะให้รู้สึกได้วันนี้ได้ศึกษาสิ่งนี้เรื่องนี้มันก็สะสมไปเรื่อย ๆ, ๆวันนี้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เอามาสรุปเป็นบทเรียนเล็กๆในตอนยิน วันนี้เราทำอะไรบ้างเรามีสติกับมันเท่าไหร่วันนี้เราทาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยเรามีสติกับสิ่งที่เราทำเท่าไหร่นี่ก็เ ร, เริ่มมาตดยสอบนี่ก็เริ่มมีการศึกษาละวันนี้เราทำครัวในช่วงที่ทำครัวจิตเราเป็นยังไงศึกษา ่งมันมีเรื่องนึงศึกษารอบข้างหมดนะถ้ า, าว่าเราศึกษาเป็นนี่นะเว้นแต่เราเก็บรายละเอียดไม่เป็นมันก็รู้กระทบเข้ามาเท่าไหร่ก็รู้เพียงเท่านั้นแหละไม่มีการขยายผลต่อคลออกไปนะั่นเราก็จะใช้เวลาเยอะทีเดียวใ น, นช่วงเย็นนี้เราพูดกันถึงเรื่องเหล่านี้นะก็คงจะพอแค่นี้เพราะวันนี้ผมพอ่ํทำงานกับพระทั้งวันก็ ร, รู้สึก ก็พราว่าเราทำส่วนผักแล้วเราก็ต้องทำน้ำลงไป <c oughs> ซึ่งก็จะสะดวกแก่คนลดน้ำผักคือไม่ต้องเสียเวลาหลายนาทีหลงจาเราเปิด น, น้ำก็ก็พรมให้สักพักก็พอลนะก็จากนี้ไปเนี่ยมันจะเข้าหมุดหน้าแรงซึ่งก็หมอกควันอะไรมันก็เริ่มไปเรื่อยๆลนะ เราก็ต้องรลละมัดระวังเรื่องสุขภาพติ่งเช้ามาอาบน้ำทำออกกำลังกายอาหารปลอสันพิษท่านลองท้องนิดหน่อยนั้นก็ช่วงเย็นวันนี้อาคนนี้นะเราก็กลับพร้าพร้อมกัน